ใหม่หรือคนอยากจะเริ่มใหม่ก็ <c oughs> ดีนะใหม่ๆสดๆเ น, นี่ยแหละดีที่จริงไม่ใช่คนเก่าก็สิ่งที่เราทําก็คือทําสิ่งใหม่ๆเนี่ยแหละนะของใหม่ก็คือของที่เป็นปัจจุบันอดีตผ่านไปแล้วนะอนาคตก็มไม่ดูจะจริงหรือเปล่า มนะแต่ของที่สัมผัสได้จริ ง, รงคือในตอนนี้นพระพุทธเจ้าก็ให้เราสัมผัสกับสภาวะธรรมที่ที่ตอนนี้ที่ปัจจุบั น, นของจริงจริงก็คือปัจจุบั น, นเราจะเห็นกายเห็นใจก็เห็นลงที่ปัจจุบั น, นรู้สึกคำว่ารู้สึกตัวก็รู้สึกที่ปัจจุบันนะ ไม่ใช่ไปไม่ใช่ไปย้อคิดถึงถึงอารมณ์ที่มันผ่านมาหรือไปคิดเอมไหมเมื่อกี้เช่นเมื่อกี้เรากินข้าวกินข้่าจริงไหมกินผ่านไปเรียน <c oughs> ไปคิดว่ากินข้าวนะภาพที่กินข้าวเมื่อเช้ามันก็มาภาพกินคุณไปกินข้าวเมื่อเย็นกับเพื่อนมันก็มาอืมอันนี้ตึกคิดเอาฮนะ หลวงพ่อครูบาอาจารย์เขาจะบอกว่าคิดเห็นกับพบเห็นมันต่างกันเช่นเราคิดถึงนีกินข้าวหรือจริงไม่แด่การคิดถึงที่มันผ่านมาสมมติเมื่อสอ ส, อสองวินาทีที่แล้วนี่ก็คือการคิดเอานะบางทีก็ต้องระวังบางทอีอันนี้ระวังแต่อาจจะไม่ใช่เป็นความผิดพลาดของทุกคนนะแต่บางทีการที่เรา มีการกระทำบางอย่างว่าเราใช้คำพูดใช้คำวลีคำรช้คำกลับนะมันก็คือการย้อนกลับไปคิดถึงสิ่งที่ทำเมื่อตะคู่นี้เช่น ใ, ให้มห า, เาเมือ่อกี้หายใจเข้าเลยมไหมหายใจเข้าหายใจเข้าเสร็จมันต้องอหายใจเข้าหายใจออกแล้วมาหายใจออกเแต่จรีงมันออกไปแล้วนะแล้วเราก็มาคิดว่ามันหายใจออกอืม หรือบางทีก็อเมื่อกี้ไปคิดอะไรก็ไม่รู้พ อ, อรู้ตัวแล้วก็พูดย้ำอีกน้อคิด น, <c oughs> น้องก็แต่มันคิดไปแล้วนะไอพูดว่าคิดนอนเะนี่ยมันเป็นคล้ายๆมันดีเลยคล้ายๆมันช้าแต่นิดนึงแต่มันก็ดีในแง่ว่ามันทําให้ความหลงมันไม่นานนะมันก็แต่มันก็ไม่ใช่ปัจจุบั น, นจริงนะ พรปัจจบัิจริงๆน่ะมันแทบจะไม่มีความพูดมันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกนะคําพูดเนี่ยมันเป็นที่ดั่งความรู้สึกเอาง่งายๆยอมยองกรรมมือเล้เนีน่ยที่มันรู้สึกน่ะเข้าใจไหมมันรู้สึกน่ะเนี่ยเจอคือปัจจุบันแต่พอรู้สึกแล้วก็กรรมมือ พูดบมว่ากำมือเนี่ยมันคือต่างความรู้สึกกั่ไหมไปแค่หนึ่งวินาทีหรือคึ่งวินาทีนี่ก็คือคือหลังละพอเมกี้มันกเนี่ยมันรู้สึกละแบรมก็รู้สึกละนี่นี่ลองกำมือแบรมือก็อ ไ, ได้นะ mm hmm. สมมุติสมมตินะสมมติแบรอย แบบรู้สึกไหมแต่ถสมมติว่าถ้าเราทํำดิจิท์ น, นนะถ้าเราไปคอยอัใจที่จะรู้ว่าต่อไปกำลังจนะกลับเนียปัจจุบันนะี <c> ่ย <oughs> เป็นแใจเวลาอนาคตจนว่าที่จะรอว่าก ร, รับเป็นแบบไหนอันะีติดไปอนาคตแม้แต่อนาคตเมื่อข้างหน้าอีกหนึ่งวินาทีเนี่ยนะนะก็คือไปรออนาคตนะ แต่รู้สึกจริงๆนะตุ๊บตุ๊บตุ๊บอืมเนี่ยแต่บางทีมันบางทีสติมันก็ไม่เป๊ะมากไม่เป๊ะมากคล้ายๆเหมือนกับคล้ายๆกับเหมือนกับนักกีฬายิงเป้าบินหรือตัวเนี้ยคือแค่เด็กๆเนาะสมัยตะวันตกยิงหนังสติอยู่ยิงนกบ้างยิงกิ้งก่าบ้างนะบางทีก็เป๊ะนะ เป๊ไรถูกตายบางทีก็ไม่เป๊ะแล้วเฉียดหน้าเจียดหังนี่คือมันไม่เป๊ะสติเราต้องเหมือนกันนะบางทีที่มันไปรู้สึกนะบางทีก็เป๊ะนะลองที่ปัจจุบันบางทีก็ไปคอยเด่วไปนิดนึงไปตั้งใจรอนิดนึงบางทีก็มันเกิดไปละค่อยมันคิดได้น่ะเข้ามาเลือกได้นี่มันก็เปลาเราตื่นกันนะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละบางทีก็ ลงที่ปัจพยาบาลจริงๆบางทีก็ไปรอไปคอย ม, มันบางทีก็เกิดไปแล้วค่อยรู้เหมือนกันแม้มันจะเป็นแบบนั้สิ่งที่เราพยายามฝึกก็คือเมื่อมันพลาดไปแล้วไม่เป็นไรเอาที่ตัวใหม่นะเอาที่การเคลื่อนไหวใหม่หมนะอันนี้เราก็จะฝึกเป็นแบบนั้นนะมันก็จะมีรูปแบบนะรูปแบบสิบสี่จังหวัดนะพูกง่ายๆก็คือ ให้เรามีท่าการเคลื่อนไหวแล้วก็จิตใจ ร, รับรู้จิตใจรับรู้ถึงร่างกายที่เคลื่อนไหวใจมันคิดไปที่อื่นนะ่ะก็ไม่เป็นไรเราก็กลับมารู้สึกที่ร่างกายการที่เรารู้สึกที่ร่างกายเรียกว่ามีสติไปในกายนะเรียกว่ากายานุปัจจนาสติปฐานนะเห็นกายนะเห็นกาย แรกๆมันก็เห็นเป็นกายเห็นเป็นอวัยวะเห็นเป็นกายของเราอะนะต่อไปเราจะเห็นที่มันมันมากกว่านั้นที่จีก็้องให้มากกว่าั้นมันจะเห็นที่มันเป็นของจริงกันนั้นเห็นเป็นรูปนเห็นเป็นรูปรูปก็คืออะไรนะสภาพโดยท่าโดยธรรมชาติเหมือนโยมดัวตานะเห็นเป็นพระ แต่จริงเวลาจะเป็นถ้าเป็นรูปจริงก็มันก็คือวัตถุคือคือ ก, ก, ก้อนก้อนหนึ่งตาเราต้องไมองเป็นสีสีก็กรรมวนภาพว่าแบบนี้เรียกว่าจีวรห่โอโดนแบบนี้เรียกว่าผ้าเลยนะ <c oughs> มันมันไอ้นี้คือธรรมดานะไออาการแบบเนี้ยมันเป็นธรรมชาติแม้แต่ภาพอาหัรก็มองเป็นแบบนั้นอากาศที่เราเห็นรูปอาการที่ มันไประ ล, ลึกถึงสัญญาที่เรารับรู้ว่ารูปแบบแบบนีน้เรียกว่าพาะอันนี้เป็นธรรมดาปุตตชนหรือคนที่มีธรรมะขั้นสูงก็จะเห็นแบบนี้เหมือนกันแต่ติ่งที่ตังนั้นนะ่ะจะต่างกันนะติ่งในใจนั้นคือถ้าภราอราหัน์ท่านเห็นเห็นเห็นปุ๊ รับรู้โดยสัญญาโดยสมมติว่าเป็นแบบนี้ปุ๊บจบแค่ตรง น, นั้นนอกจากว่ามันจะเป็ต้องเกีเ่ยวข้องก็ไปคิดเกี่ยวข้องนั้นนี่ก็อันนันก็ใช้ความคิดใช้ความตั้งใจไปคิดแต่ถ้าตูติชนที่เห็นเปนี้มักจะกลายเป็นอันนี้เราชอบอันนี้เราไม่ชอบชอบก็ปรุงแต่งแบบชอบไม่ชอบก็ปรุงแต่งแบบไม่ชอบมันด้ต่อเลยนะแต่้ารั่งถ้าเห็นปุ๊บเห็นรูปรู้ว่าสมมติคือแบบนี้จบแค่ตรง น, นี้ ถ้าจะต้องเกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องก็จบแต่คนเราปกติมันจะเห็นแล้วก็ปุกปงไปเรื่อยอันนี้คือเแค่เรื่องตาที่เห็นนะเรื่องหูที่ได้ยินเรื่องจมูกที่ได้กลิ่นเรื่องลิ้นที่รับรสเรื่องกายที่สัมผัสหรือเรื่องอย่างที่ว่าจะนอนจะหาเรื่องมาคิดว่างๆไม่มีอะไรทำก็มือไปกับความคิดเอ้นั้นมันเลยเรียกรวมๆว่าหลงนะ คำว่าหลงหลงมาทีก็หลงในทางที่ดีบ้างบางทีก็หลงในทางที่ไม่ดีบ้างบางทีก็หลงไปทางที่ไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีไปเรื่อยๆของนั้นโดยรงมๆเราเรียกว่าหลงนะหลงตรงข้ามกับความร <c oughs> ู้เปลี่ยนเปลี่ยนหลงเป็นรู้เปลี่ยนหลงเป็นรู้นี่คือนะเราจะฝึกเปลี่ยนหลงเป็นรู้ มันจะมีประโยชน์อะไรลองพิสูจน์ดูเนาะถ้าเราทำเอาเมือวางไว้ที่หองเขาเนาะวางที่หองเข า, นะ า, ไ, เาไม่ต้องหลับตานะแต่นั่งให้มันยืดตัวขึ้นนิดนึงแต่ไม่ต้องยืดมากนะยืดมากก็ก็เมื่อยถัดมาตคไปที่เมืองจีนวัดหนึ่งที่วัด นานหัวซืด น, นะออกเสียงจะไม่ถูกนะแต่ว่าประมาณว่าวัดดอกวัวทางตัดทางใตนะ้เป็นวัดที่มีมีร่างของท่านเวลาท่านเวลานี้เป็นถ้าเทียบเทยบของเราเหมือนเป็นฝังกระลาฝ่ายเซนหงที่หกของประเทศจีนถ้าเป็นคนที่ไม่รู้หนังสืออะไรแต่ท่านฟังคำท่านฟังคนอื่นก็ส่วนหนึ แต่เป็นส่วนแล้วท่านเข้าใจความหมายก็มปนรู้ธรรมตรงนั้นที่ว่าท่านท่านอาจจะเสียประมาณพันกว่าปีละแต่เขาว่าร้างท่านยังอยู่จะมีเนี่วเอสาานะ่ะสมมติถ้าเวลานั่งตรงการศาลาถ้าก็จะนั่งสบายสบายนี้นหละจับมือแบบนี้ทําไม่ได้นั่งสบายเหมือนนั่งสมาธิประมาณนะอีกฝั่งหนึ่งนะ เขาจะมีรูปสิธย์สองท้านในรูปหนึ่งคงเสียไล่เรียกกันเขาจะนั่งแบบนะี้ยืดยืดตึงตึแบบไหนอีกฝั่งหนึงอีกฝั่งมือฝั่งฝั่งซ้ายนี่ตึงฝั่งขวานี่ก็เป็นนั่งเนี้ยน่งเหมือนจะดับประมาณว่า ก็อสอนแบบเสซนนะักสอนแบบไม่ต้องใช้คำพูดเอาร่างกาย่อนเ น, นี่ยแหละว่ตรงนี้ยทางสากลางคือพอดีเป็นแบบไห น, นอีกส่วนหนึ่งยืดไปก็ตึงไปพอประมาณร่างกายไปอีกฝังหนึ่งก็ย่อนไปอ่อนไปไนะฮะเขาสอนกันเขาศพสอนล <c oughs> องไปเห็นนะหลวงพ่อสัองเกตเขาบอกเนี่ยอาจารย์เนี่ยอาจารย์ของเรา แล้ท่านเวลาอาจารย์ของเรา <c oughs> คือท่านสอนเนนเรื่องเรื่องการมีสติเรื่องจิตเดิมแท้ที่ไม่เป็นอะไรเกิดอะไรเนี่ยอืมสอนสติเดียวกันนะอพันกว่าปีที่เมืองจีนหรือสองพันกว่าปีที่อินเดียพรูเวชานก็สอนสติเดียวกับที่พวกเราสอนวันนี้แหละครับเอามือวางไว้แล้วก็รู้สึกไหมเนะี่ยรู้สึกลงที่ ตรงที่ร่างกายที่กําลังนั่งนะรู้สึกถึงเนะี่ยถ้าเป็นสมมติจริงๆนะรู้สึกถึงเนะี่ยมันเป็นน้ําหนักที่นั่งมันเป็นความรู้สึกที่สัมผัสกันอยู่เนาะสัมผัสมือสัมผัสเขาก้นสัมผัสพื้นนะนั่งสบายๆนะหายใจเข้าบ้างหายใจออกบ้าง น, นี่คือความรู้สึกแต่มัต้องพูดนะเรากำลังนั่ง รู้สึกเฉยๆนะแต่ถ้านั่งนิ่งๆนะมันจะกายเป็นความรู้สึกมันจะค่อยๆครอวนี้มันจะจเจาะเกินไปนะเมือเราดูภาพนิ่งอนะ่ะโยดูภาพนิ่งถ้าดูไปนานๆ น, นะถ้าไม่ตกลงไปคิดย อ, ยจจอย่างอื่นก็เป็นจมอย่ในภาพแต่ถ้าดูภาพเคลื่อไหวนะดูนี่ปุ๊บเหมือนสได์โชว์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเปลี่ยนเรื่อยๆเราจะดูร่างกายเราเหมือนดู สไลดโชว์เข้าใจไหม <c oughs> เปลี่ยนท่าไปเรื่อยนะเหมืนอนวางจะดิ่ของเขานะรู้สึกตัวว่านั่งแบบนี้นะรู้สึกแล้วอันนี้พลิกมือขวาตั้งตะแคง น, นะรู้สึกอรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวเนี่ยนระู้ยกขึ้นขึ้นตัวอนะไรนี่ยรู้สึกไหมรู้สึกนะวางที่ท้อง พิกมือซ้ายจะแข็งรู้สึกยกขึ้นรู้สึกวางทักมือขวารู้สึกมือขวาเลื่อนขึ้นรู้สึกออกข้างข้างตั้งลมไม่ต้องช้ามากนะอ่าคล่อมมือซ้ายเลื่อนขึ้นรู้ออกข้างข้างตั้งลมรู นะเราเรียกว่ารู้เป็นจังหวะเนาะเหมือนทำทำแล้วก็หยุดนิดนึงจนยังบาดการทำแบบนี้มันจะให้เรามีความรู้สึกที่ชัดขึ้นพิกเนอรู้ยกวางพิกมือไ้ายรู้สึกยกขึ้นรู้สึก วางครับมือขวามืขวาเลืนขึ้นมูอออข้างข้างท่ามข้ามมือซ้ายเลื่อนขึ้นอออกข้างข้างทามขามนะิดมือขวาดูนะกนะยกลองทำนะ รู้สึกที่ไหนรู้สึกที่ที่การเคลื่อนไหวหรือรู้สึกที่การสัมผัสรู้สึกที่การหยุดตรงไหนก็ได้โยนในแต่ละท่วงท่าบางทีก็เป็นมีมีความเด่นแตกต่างกันบางท่ามันเด่นที่ความเคลื่อนไหวบางท่ามันเด่นที่การสัมผัสบางครั้งเราก็เด่นที่การที่มันหยุดอยู่ อย่าไปตั้งใจมากความรู้สึกตัวมันไม่ได้ยากขนาดต้องเไปอแบบ ไ, ไปจัดจอขนาดนขนาดที่แบบโอ้ต้องแบบดูแบบไม่ให้ใจกรนะพริะไม่ใช่ดูแบบตาไม่ให้กระพิบนะนเวลาดูอย่างอื่นนะถ้าเราสนใจมากเรียกว่าแบบดูแบบตามีกระพิบใช่ไหมจ้องแบบแต่ความรู้สึกตัวนะ่ะเราใช้ตาในก็คือใจ คะว่าจับสุดเกิดขึ được, là, ้นแล้วตาในใช้ใจดูนะลองเืินเคลื่อนไหวนะไม่ต้องก็มีความตั้งใจอยู่แต่ไม่ต้องแบบไปจ้องมากนะมันรู้สึกได้นะ แค่รู้สึกแต่มือนะอยา่าอยา่าอยา่อยไปคล้ายๆตัดร่างกายเราเหลือแค่มือนะมือเป็นแค่ส่วนหนึ่งจะเรียกว่าขอ ง, ง, นะของร่างกายนะของรู้รู้สึกแบบทาบรวมแต่มันอาจจะชัดที่ที่มือตเหมือนเราดูโทรทัศน์อะดูไปทั้งจ อ, อ, อ อะไรมันเด่นมันก็จะเห็นเองแหละอย่าไปจ้องใครคนใดคนเดียวนะเพื่อนปุ๊บนะดูปักเลย พร้อมๆกันเนะี่ยทันท่วงทีนะปัติบันเนี้ยทันทีไม่ก่อนไม่หลังนะถ้าเมื่อกี้มันลืมนะไม่เป็นไรนะรู้ครั้งใหม่ปไปเลยนะนะไม่ต้องคิดย้อนเอาครั้งใหม่เลย เกมเียวเหมือนหรือเกมสมัยนี้เป็นแบบไหนนะสมัยก่อนเกมยิงระตูอะไรประมาณนี้น ะ, น ะ, ะยิงพลาด <c oughs> ย, ยิงแล้วผิดไปแล้วช่างของมันนะี่จะต้องยิงใหม่ให้มันตรง <c oughs> เอาเนี่ย ไม่ต้องหลับตานะเราคล้ายๆมองมองแต่ไม่ได้ไม่ได้ไปคล้ายๆมองแบบไม่ต้อนไปให้รายละเอียดสิ่งที่เห็นมองแบบเป็น่าพเปิดตามองดูวางไว้จะใช้ตาในในการดูความเคลื่อนไหว ดูลูนะให้ตันนี้นะมันเรียกว่าเป็นสติที่ระลึกได้ถึงรูป ที่ทำอะไรอยู่เมื่อเราเลึกได้ไบ่อยๆเนี่ยมันะมเป็นสมาธนะิสมาธิคือจิตใจมันตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนะสติสมาธินะเขาคู่กันะเป็นสมาธิแบบเคลื่อนไหว ปฏิบัติแบบนี้เป็นสรรมาธิจะเป็นวิปัสสนาที่จริงมันก็เป็นได้ทั้งสองแบบหยุที่หยุดที่สภาวะที่รู้ในแต่ละขนาดแต่จริงมันเป็นของที่คู่กันจะเอาแต่วิปัสสนาอย่างเดียวก็ไม่ได้นะ <c oughs> มันก็ของคู่กันนะเหมือนเรากินแกนนะ่ะ มีทั้งแกงมีในแกงก็มีทั้งน้ำมีทั้งเนื้อมันคู่กันมันไม่ต้องกังวล น, นะรับปฏิบัติเป็นอะไรขอแค่ให้รู้สึกตัวเห็นกายเห็นใจ สังเกกายที่เคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติหรือว่าเกรงนะสังเกตนะเลยนะในเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติผ่อนคลายเนาะการปฏิบัติธรรมเนีควรผ่อนคลายเนาะหายใจก็ผ่อนคลายเคลื่อนไหวร่างกายก็ผ่อนคลายใบหน้าสายตานะก็ผ่อนคลาย เนี่ยร่างกายผ่อนคลายไม่จิตใจด้วยนะจิตใจตึงไหมตึงกลัวเครียดมีไหมสังเกตดูนะหรือใจลอยไปเลยไม่สนใจเล ย, เล ย, เลยอันนี้ก็ บบนนะไม่ใช่บอกว่าไม่ให้ทำผิดนะแต่เมื่อมันผิดให้รู้เช่นมันตึงให้รู้มันหย่อนไปเผลอไปคิดนานให้รู้นะฮะไม่ใช่บอกว่าให้ทำแต่ถูกอย่างเดียวบางทีมันทำผิดมันทำของมันเอง เราเคยเราเคยว่างๆก็หานันหน้านี่มาคิดนะแล้เนี่ยแทะขณะที่ยกมือนะบางทีแค่แต่ละท่านนะมันก็จะคิดแทะนะแล้วทาให้เราลืมไปเนี่ยมันเป็นของมันเองแต่การฝึกใหม่ก็คืออ้อรู้ว่ามันเผลอไปอ๋ อ, อเหนะ็นแะล้วกลับมา นับดูความรู้สึกที่เคลื่อนไหวใหม่หรือบางคนจะดิตจริงจังเคร่ ง, ง เ, เครียดนะพอภาวนา้าจะเคร่งเครียดนะเอจริงพอจังนะกลัวผิดนะมันก็ไปของมันเองนะมันเป็นจดดิตที่มันพ้นให้เรารู้ทัน รู้เฮมันเป็นจริงจังแล้วอ่ะนะก็ยิดมนิดนึงอะรู้ไหมแต่คนส่วนใหญ่นะไม่มีจะดิดตายตัวคืออะไร บางช่วงก็จริงจังบางช่วงก็ย่อนอย่าไปแฝงนะวเราติดใจว่ะที่จริงเราทั้งสองแบบเลยบางช่วงก็เครียดบางช่วงก็ย่อนนะะตอนนี้จะเอาก็โอตั้งใจตั้งใจก็เครียดตอนนี้ดื่มก็ดื่มไมนานเลย ให้ฝึกให้มันยกมือให้ถูกท่าเป็นอัตโนมัตินะแต่ฝึกให้การรู้เป็นอัตโนมัติคือแบบนี้ไม่ใช่ฝึกก็คือเราทําได้แล้วยกมือถูกแล้วนะทาท่าได้แล้วนะันะ้นไม่ใช่นะไม่เหมือนเราไปออกกําลังกายหรืออะไรที่มันไปเรียนแบบท่าพอเนาะนะเต้นแอโรบิกเออเต้นท่าแบบนี้โยวคะ เขาเคลื่อนไหวแบบนี้อนรนะดํารลดำแบบนี้ทำได้แล้วถูกท่าแล้วอันนี้เคลื่อนไหวมือก็แบบเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าถูกที่ท่าแต่เราฝึกให้ใจมันเนี่ยมันมีสติระลึกได้โดยอัตโนมัติ แ, แรกๆอาศัยความตั้งใจที่จะระลึก ม, มันต่อไป มันระลึกได้เองคล้ายๆกับเราเรียนภาษาต่างประเทศนะแรกๆต้องตั้งใจฟังจะได้แยกตัด<ม>เข้าใจความหมายได้ตั้งใจแต่พอต่อไปก็ออฟังธรรมดาก็เข้าใจแันเนี้นยึกบ่อยๆถ้าได้ตั้งใจที่จะฟังตั้งใจที่จะรู้กับมัน นี่ก็เหมือนกาตั้งใจที่จะรู้สึกในการเคลื่อนไหวในท่าต่างๆฝึกจนมันชำนาญในการที่เปลี่ยงแค่เคลื่อนไหวธรรมดาก็รู้สึกได้ นะถ้าเราอยู่ที่วัดที่เขาปฏิบัติตายนี้นะหรือว่ามีสถานที่ปฏิบัติตรนี้ก็ทาแบบนี้ไปเลยเียวนะแต่ถ้าเราไปอยู่ที่อื่นเราทาแบบนี้ก็ได้นั้นนะพลิกมือคว่มือพลมือคว่มือทําแบบแค่นี้ก็ได้หรือกำมือแบมบือนะ หรือบางคนก็หมุนนิ้วเดี๋ยมีใครเต้นรูปประคำมาปาเราก็รูปประคำมาหมุนนับไปเรื่เนืรู้สึกถึงเนี่ยถึงร่างกายที่มันเคลื่อนไหวไม่มีอะไรนะเอาปากกามาหมนุนเรื่เนื้อไดรู้สึกอะไรมาดูในข่าวอะไรเห็นมีอะไรอืมมีเครื่องเอรื่เนื้อมหมนุน เอาลหมวนเด่งจะได้นะเนี่ยคือมีการเคลื่อนไหวมีการขยับแล้วก็รู้สึกไปในเรานั่งทำ ง, งานอ่านหนังสือปวดทเมื่อแล้วก็เนี่ยไม่ใช่แบบทาสักหรือว่าทํานี่นะแต่ทา มันก็ทำเหมือนกันแนละแต่เพียงว่าความรู้สึกรู้สึกไปด้วยไม่ได้ทำให้มันแค่ให้กายมันดีขึ้นเนาะแต่ใจก็รับรู้ไปด้วยได้ทุกอย่างเลย <c oughs> <c oughs> นะทาได้ทุกอย่างเราจะถ้าเราเข้าใจแบบนนีะ้ทุกการเคลื่อนไหวตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงนอนหลับเรามีการเคลื่อนไหวในอีหมด หรือว่าเคลื่อนไหวในอีเดียบทย่อยหนยใจเข้าในาใจออกกระพริบตาอ้าป่ากอีดีบดยักอีดียบหลักแล้วก็อีเดีบดย่อยเนะี่ยจะมีการเคลื่อนไหวนั่นตื่นจนหลับแลต่อไปนะพอสติมันมันตื่นตัวเต็มที่ไม่จะมีบางช่วงแม้แต่ตอนนอนก็ดุกระติก้พาพลิกขวารู้สึกจนหมดเลยเหมือนไม่ได้นอนนะ รู้สึกตัวตลอดเลยแต่ก็ไม่เพี้ยเหมือนไม่ตับเลยรู้สึกตัวตลอดเลยแต่ตื่นเช้าก็มาทางานสํองการมามันเป็นช่วงหนึ่งมันเป็นช่วงที่จะติมันคล้ายๆอเดรตอ่ะมันมันตื่นมากมันก็รู้ทันรู้นี่มันตึกกลางวันเป็นที่กลางคืนก็ติดรู้ขอกมันเองแต่ก็ไม่ต้องกังวลก็ไม่ต้องก็ตาม่ะเราห้ามมันไม่ได้ก็รู้มาก็อยู่กับมัน ถ้าตอนกลางมันเหนมากก็อาจจะทําสมาธิเข้ามาสัไหน่อยให้มันมีแรงนะแต่พอต่อไปสักพักมันความความตื่นมันก็จะพอดีพอดีหรอกอื okay. มันจะค่อยๆอ่อนอ่ะตอนนี้พักมันก็จะพักไม่ไปรู้มั น, ะน่ะนะพักพักก็พักปิดไว้ก่อนตื่นขึ้นมาก็รู้ใหม่มันก็เป็นบางช่วงนะไม่แปลกไม่ มันไม่ได้ความผิดนะแต่มันเป็นเรียกว่าเป็นสภาวะหนึ่งในการปฏิบัติสภาวะหนึ่ง<อ><อ>ก็เข้าใจเนาะทำได้นะเนี่ยขยับไปที่อื่นบางทีเขาขยับเข า, ยาเ ข, าขายาับลมหายใจเอาของเราขยับตัวอ่าข้างไหลก็ได้บางที่อานารปานนะักเรก็เลยนะ หายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกแต่จริงถ้าจะรู้สึกจริงคือร่างกายก็นั่งเห็นร่างกายนั่งหายใจเข้าเห็นร่างกายนั่งหายใจออกอืไม่ใช่รู้แต่ลมนะรู้สึกถึงร่างกายที่กำลังหายใจเข้ารู้สึกถึงร่างกายที่หายใจออกเห็นร่างกายนี้เป็นเพียงแค่รูป รูปที่หายใจเข้ารูปที่หายใจออกมันจะเห็นค่อยๆเห็นจริงไปเรื่อ ย, ยๆแต่ก่อนเห็นเป็นเรานะต่อไปก็เห็นเป็นร่างกาย <S <S นะเห็นเป็นรูปตัดแต่ว่ารูปที่มันทำพอนะได้เนาะเนี่ยทำแล้วก็เดี๋ยวพา ยืนบ้างเดินบ้างนะได้หมดนะนะยืนขึ้นนิดนึงนะยืนขึ้นรู้สึกไหมนะท่าท่าแจะลุกขึ้นรู้สึกไหมยหมังไม่ได้ว่าใส่นะแต่บางทีตอนเปลี่ยนท่าบางทีมักจะลือมันเราจะเปลี่ยนท่าเป็นช่วงที่ คลายความหลงนี่โอ้มันโอกาสของที่เข้ามาแทรกเลยอ <c oughs> เอาใครช่วจัดให้พอมีที่เดินระหว่างร่องได้ไหมอาจจะ <c oughs> เก็บสักครึ่งนะึงก็ได้เก็บเอทับไว้สักทุ่งหนึ่งก็ได้อ่าอ๋อ รู้สึกว่าร่างการเป็นตะคิวรู้สึกไหม <c oughs> แต่ถ้าใจมันไม่ชอบนะก็เห็นใจมันไม่ชอบอนะจริงร่างการเป็นตะคิวเนะี่ยมันเป็นเรื่องของกายนะ ใจเราชอบไม่ชอบเนะี่ยมันเป็นเรื่องของใจนะไปยืนฟังเดี๋ยวแป๊เดายวันได้เลยไปยืนฟังเหมือนคล้ายๆเหมือนเดินยืนข้อแถวเนาะข้อแถวเหมือนข้แถวข้อรถของชาติเลยนะมนไม่ใช่ข้อแถวก่อนข้าเรียน <c oughs> ให้เป็นแถวๆอ่าเป็น okay. น, น, น, นิดนึงินมะอ่านิดนึงินเดินอยู่กับพี่หรอือยังรู้สึกอยู่กับพี่ ร, รู้สึกไหมน่ะขายกขึ้นรู้สึกเหยียบลงไปรู้สึก เอนซ้ารู้สึกเอนขวารู้สึกโยนลองบัวแต่มา กลับไปดูตัวเองมาดูจะมาจะดูแบนไหนไม่ได้ดูแต่ขาจะมาใช่ไหมดูทั้งตัวรู้สึกเห็นทั้งตัวนะแต่อาจจะชัดตรงที่มันเคื่อนกลับไปดูตัวเองค่ายๆกันแต่ความรู้สึกมันจะจริงจังกว่าเพราะมันเขาเรียกว่าไรมันมีการกระทบยัง ม, มีการเคลื่อนที่มัน เดีเ่ยเซลปตะเนาะเรู้สึกนด้เนาะเดินธรรมดาที่สุดแโยมนะแต่เลียนแค่เรารับรู้ด้านกายที่มันเคลื่อนไหวเห็นหน้านกายก็เดินต่างจากที่เราเดินในปกติอย่างไร เดินปกติเราเดินนะแต่เราไม่สนใจตัวเองเราเดินเราไปสนใจข้างทาง <c oughs> หรือเราเดินนะถ้าเราไปอยู่กับความคิดเราก็จะไปสนใจในความคิดอันนี้ก็เปลี่ยนและเปลี่ยนความสนใจมารับรู้การเคลื่อนไหวของด่างกายต่างกันแค่นิดเดียวนะเดินเหมือนเดินอันนี้ลองเดินข้างหน 5, ้า ดก็รู้สึกนะหายรู้สึกเนี่ยเื่อนก็รู้สึกหยุดก็รู้สึก ก็จะเองยืนแบบนี้ไหม เกณฑไหมใจประดากลับมารู้สึกที่ร่างกายความคิดมันก็จะไม่เจริดใส่ใจจิตใจก็อยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับปัจจุบันเน้ะ เลยธรรมดาใครก้าวยาวขนาดไหนรู้สึกพอดีอก็เอามานะอยา่างจุดอื่นก้าวยาวก้าวตันพอดีกับตัวเองก้าวช้าก้าวเร็วที่นพอดีพอดีคือไม่ฝืนไปเดินท่าไหนก็รู้สึก เดินเป็นแถวอะไรเดิเนข้างหน้าถานู้ น, นก็สุดแค่ต้มเพื่อนแล้วก็กลับกลับตัวก็เพื่อนยังไม่กลับเราก็เดินอยู่กับที่ย่ำเท้ารอแล้วก็พอเพื่อนกลับเสร็จล้วก็เดินต่อ ม, มือก็เก็บไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้ยยมันจะได้ไม่เกร็งมากหรือถ้าจะปล่อยก็ปล่อยให้มันผ่อนคลายนะ มันง่ายๆนะมันสัมผัสลงไปรู้สึกเลยนะไม่ต้องไปอะไรมากนะสัมผัสปุ๊บรู้ปั๊บเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บ ความรู้สึกตัวไม่ใช่ของแปลกใหม่แต่ความรู้สึกตัวเป็นของที่เราไม่เห็นคุณค่าไม่ใช่ของแปลกใหม่นะแต่สิ่งนั้นเราไม่เห็นคุณค่าด้วยซ้ำแต่เรากลับมาเห็นคุณค่าแล้นะ ความสำคัญเนาะถ้าเปรียบเพียรก็เหมือนพ่อเหมือนแม่ของเราอะไม่ใช่คนใหม่เลยติดนั้งแต่เราเด็กๆนะแต่ตอนไหนมันหายไปตายไปนะ่ะเราถึงจะเห็นคุณค่าแต่ถ้าคนฉลาดนะเห็นคุณค่านะแต่ตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ความรู้สึกตัวก็เหมือนกันนะเราจะเห็นคุณค่าอื ถ้าเห็นคุณค่าัแต่ตอนเนี้ยจะดีที่สุดมากบางทีไปเห็นคุณค่าตอนที่ป่วยหนักๆตอนที่มีปัญหาก็ดีนะแต่บางทีก็ถ้าปัญหามันแรงอาการเบทนามันหนักมากบางทีก็ถ้าไม่เคยฝึกเลยนะก็ก็ใช้ได้ผลบ้างนะแต่บางทีก็ยากกว่า นโยมนะอย่ า, อ ย, า, อ, ยาอย่าทำแบบตาเบล อ, บ อ, อมองแบบอย่าทำแบบเหมือนมองไม่ชัดเลยนะทับะบตะบานจิตใจก็สำคัญนะจิตใจอย่าทำจิตใจซึมซึง <c oughs> ทำจิตธรรมดา ทั้งใจมันเผลอไปคิดเขามันเองนะเราก็แค่รู้มันนะไม่ห้ามมันแค่รู้ทันเนี่ะคิดไปแล้ว่นนะะจังหวะมานกลับมารู้สึกร่างกายมายเลย ใช้มากนะให้มันพอดีพอดี อ, ดอย่า ก, กลัวที่จะไม่รู้อย่า ก, กลัวที่จะลนะ้มเพราะถ้จะว่าไปจริงๆนะมันผิดตั้งแต่กลัวที่จะไม่รู้ลนะมันมีความอยากที่จะรู้นะแตจริงกายยาพัฒ น, นาเนี่ยมัน มันมันชัดปุ๊บเรียนปุ๊บรู้ปั๊บบางทีทนะัปฏิบัติธรรมมักจะคิดนะมันมีความอยากเข้าไปแท้เยอะอยากที่จะรู้นานอยากที่จะรู้ตลอดอยากที่จะไม่ให้มันคิดอยากที่จะให้มันสงบเนะี่ย มันทำผิดตรงนี้แหละแต่สติสมาธิปัญญา มันคือเหมือนมีความใส่ใจในการทำมีความตั้งใจในการทำแล้วก็รู้สึกนะรับรู้มันในสิ่งที่ทำคือเราพุ่งความสนใจไปที่การกระทำนะรับรู้ในการกระทำนะนี่คือสติสมาธิปัญญานะแต่ถ้าตัณหานะมันจะมีความอยากอยากรู้ไม่อยากล้ม อยากสงบ้ามาแทะส่งผลให้สู่การกระทําอีกทีหนึ่งดูมันดีๆนะบางทีก็ผิดไปบ้างแหละผิดก็รู้อ๋อ <laughs> เกมไปทำเกมด้วตัวเองร่างกายเปลงม เรามีสติที่จะดูกายนะแต่มันก็ไม่ใช่จะเห็นแต่กายตลอดหรอกสังเกตไหมที่เราก็เห็นใจเขาคิดเห็นใจเ้าชอบสิ็นใจเขาไม่ชอบสติก็ที่เราเห็นที่เรารู้ก็คือสตินะคือความรู้สึกตัวแต่ถ้าเราไม่ถ้าเราใช้คีวิตปกติบางที พอมันเช่นมันไม่ชอบเนาะพูกทานี้ไม่ชอบนะมันจะเร็วมากไปทําอย่างอื่นดีกว่าอ ม, มันจะคิดต่อไปเลยไปทําอะไรดีทํานี้แล้วไม่ชอบนะมันก็จะพาตายไปเลยนะแต่ลองดูมัาเฉยๆข้อดูว่ามันไม่ชอบอดูว่ามันชอบดูว่ามันคิด คล้ายเหมือนแต่ก่อนเราเคยแบบตามใจเขาการตามใจคืออะไรเคร่นสมมติเราตามใจลูกนะลูกอยากได้อะไรเราก็ตามใจนะเราไม่ตามใจคือคิดดู อ, อาจจะเขาอาจจะเเอ้อาจะดื้องอแงีจะวอยวายมากนะเหมือนใจเราก็เหมือนกันพอไม่ตามใจเขานะมันจะคิดอยากจะคิดไม่คิดไปกับมันนะอยากจะทําอย่างอื่น ก็ไม่ไปทำกับมันลองแ ร, แรกๆอาจจะอัดหน่อยมันจะปะทะกันบ้างนะแต่พอทำไปเรื่อยมาเป็นการฝึกเขาฝึกใจดูว่าที่จิมั ง, ง่ายกว่าสอนเด็กสอนคนอื่นได้นะ ตอนตัวเองเนี่ยมันไม่ต้องไปลุกสูว้พวพราะกมือกับใครลดูดูใจมันคิดดูใจมันชอบดูใจมไม่ชอบดูใจเขาโกรธเขาอยากไม่ต้องทำเลยแค่ดูทเ่ยๆนะ่ะระดับกับการถินกายนี่แหละ ตีดดีๆนะเดินไะหยิดที่นั่มาช่วยเป็นปูนั่งใช้สติในการทํานะทำแบบไหน เผือนิดนึงวล้ตั้งสติเราก็จะทำได้ไม่ค่อยวุ่นวายแล้วแต่ถ้าแบบควรให้เด็กมาจัดนะนอไม่วุ่นวายให้คนต่างติมาทำนะอนท์อเป็นวุ่นวายาาตั้งจนวัดต่อเลยเนาะนั่งครูบาอาจารย์ท่านจะเน้นอีกอย่างคือความตอเนะื่อ ความหลงเข้ามาแฝ้เลยนะคาว่า ต, ตอนนี้คือไงนะหลงเราก็รู้ไม่หลงเราก็รู้แต่หนวงพ่อเขียนเป็นข้อตอย่งนะถ้าใครปฏิบัติมานานเขาจะเข้าใจคำนี้แต่คนใหม่ๆก็ฟังไปเปลือ ก็มีทั้งคนเก่าคนใหม่นะบางครั้งเขียนนั่นบอกว่าไม่เป็นทั้งผู้รู้ไม่เป็นทั้งผู้หลงรู้นะรู้น่ะเฉยๆก็รู้นะหลงก็รู้ว่าหลงไม่เป็นทั้งผู้รู้และผู้หลง